จเจริญพนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสงในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีวรลาว่าจากภารกิจการหา ต, ต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลและมียาตโยอีกส่วนหนึ่งที่มีลูกหลานที่จะมาบันประชาอุาปสมบทเพื่ออยู่จำพรรษาในวัดนี้อีกจำนวนหนึ่งจึงทำให้มียาตโยเต็ม ศาลาในวันนี้การมาบวชก็เพื่อการมาศึกษามา่มเรียนพระธรรมคำสอนที่เป็นความรู้อันประเสริฐเป็นความรู้ที่สามารถยกตนให้อยู่เหนือความทุกข์ได้เป็นความรู้ที่เอาตัวรอดได้ไม่เหมือนกับความรู้ทางโลก ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาเอกก็ยังไม่สามารถยกตนให้พ้นจากความทุกข์ได้จึงเป็นความรู้แบบท่วงหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพียงบววเรียนเพียงสามเดือนลาสิกขาไปก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแล้วเราเรียกสั้นๆเรียกบัณฑิตสั้นๆว่าทิศนี่เอง คำว่าทิตก็มาจากคำว่าบันเดตผู้ที่ได้บวชเรียนเพียงสาเดือนก็จะได้เรียนรู้ความรู้ที่จะสามารถยำตนให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้อยู่ที่ว่าจะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมานั้นมาปฏิบัติกับชีวิตของตนหรือไม่ถ้ายังไม่สามารถเอามาปฏิบัต ก็ยังจะไม่สามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ศึกษาความรู้ทางธรรมได้เพราะความรู้ทางธรรมนี้จะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อนำเอามาปฏิบัติต่อกายวาจาใจของตนเท่านั้นถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็เป็นเหมือนไม่รู้ก็จะไม่สามารถที่จะยกตน ให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ถ้าสามารถเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้ร่มเรียนไปปฏิบัติก็จ ะ, ะยกตนให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีสองส่วนด้วยกันคือการศึกษาและการปฏิบัติการศึกษาก็อย่างที่ท่านทั้งหลาย กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรขั้นต่อไปก็ต้องนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็จะบรรลุผลได้สำเร็จประโยชน์ได้ ถ้าปฏิบัติไม่ได้หรือไม่ปฏิบัติก็จะไม่ยังประโยชน์ยังผลให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นหลังจากที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนำเอามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิต นักบวชหรือคารวาะญาติโยมนํามาไปปฏิบัตินี้ก็มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกันคือข้อหนึ่งสงสอนให้รู้เหตุข้อสองสงสอนให้รู้ผลข้อสามสงสอนให้รู้ตนข้อ 4, สี่งสอนให้รู้บุคคลข้อ 5. ้สงสอนให้รู้จักสังคม ข้อ6กสงสอนให้รู้จักการลบเทศะและข้อ7ให้รู้จักประมาณนี่คือความรู้เจ็ดประการด้วยกันถ้าผู้ใดสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆข้อที่หนึ่งคือสงสอนให้รู้เหตุ คือให้รู้ว่าเหตุนี้เป็นต้นถ้าเราต้องการอะไรต้องมีเหตุก่อนถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการผลรู้ผลก็คือให้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากเหตุนั้นเองเช่นเราต้องการความสุขและความเจริญเราก็ต้องศึกษาดูว่าเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญ น, นั้น เป็นอย่างไรเช่นเดียวกับการรู้เหตุถ้าเรารู้เหตุเราก็จะสามารถยับยั้งผลต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาได้หรือสร้างให้สิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นได้ <c oughs> การรู้เหตุก็คือให้รู้ว่าเหตุของเราก็คือการกระทำของเรานี่เอง การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนากันผลก็คือความสุขหรือความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสื่อมเสียเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขก็คือการทำดีพูดดีคิดดี เหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียก็คือการทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ดำเนิน <ดำ S 2> ชีวิตของเราไปในทาง Ki ที่จะนำผลที่ดีให้กับเราได้ก็คือการคิดดีพูดดี <rer un> ทำดีเช่นคิดดีพูดดีทำอย่างไร ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดทาบุญให้คิดละบาปให้คิดละชําละกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นการคิดดีเมื่อเราคิดดีแล้วขั้นต่อไปเราก็จะได้พูดดีทำดีคือ พ, ดดพูดโดยไม่โลภพูดโดยไม่โกรธพูดโดยไม่หลงทำอะไรก็จะไม่ทาด้วยความโลภ ทำด้วยความโกรธทำด้วยความหลงเมื่อเราทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ผลก็จะเป็นผลที่ดีตามมาเช่นการกระทำที่ดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีการพูดที่ดีก็คือการไม่พูดปดไม่พูดคำยาไม่พูดเพ้อเจอ ไม่พูดสอเสียนี่เป็นการกระพูดที่ดีคือให้พูดด้วยวาจาที่สุภาพพูดความจริงพูดในสิ่งที่มีสาระถ้าเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ผลก็คือความสุขและความเจริญก็จะปรากฏตามมาถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดโลภโกรธหลง เราก็จะพูดด้วยความโลภความโกรธความหลงเราก็จะทำด้วยความโกรธความหลงเราก็จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัวเงดีไปเสพสษรายาเม่าไปพูดโกหกพูดปดมดเท็จต่างๆเมื่อทาไปแล้วผลไม่ดีก็จะตามมาผลทางใจก็จะทำให้จิตใจเราว้าวุ่นขุนบัว ผลทางกายก็คือจะไม่ได้รับการรับรองจากผู้อื่นจะไม่มีพผู้อื่นยินดีที่จะคบค้าสมาคมด้วยและอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับเข้าไปลงโทษทังในคุกในตารางเพราะการกระทำที่ไม่ดีนั่นเองความคิดโลภโกรธดองนี้เป็นต้นเหตุของการพูดและการกระทำที่ไม่ดี การคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นเหตุของการกระทำดีและพูดดี mm hmm. เช่นวันนี้ญาติโยมคิดว่าจะไม่โลภวันหนึ่งแทนที่จะโลภ ก, ก็จะไม่โลภคือแทนที่จะอยากได้เงินได้ทองวันนี้จะไม่อยากได้เงินได้ทองวันนี้อยากจะมาเสียเงินเสียทองอยากจะเอาเงินทองมาให้ผู้อื่นนี่เรียกว่าคิดไม่โลภ เมื่อคิดไม่โลภแล้วก็จะพูดไม่โลภ ก, ก็คือจะชวนให้เพื่อนฝูงมาร่วมกันเสียสละมาทำบุญมาละความโลภ ก, กันแล้วเราก็เดินทางมาที่วัดนำเอาเข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายวัดถวายพระเนรนี่เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่โลภเป็นการกระทําที่จะนำความสุข และความจเจริญ ม, มาให้ทำแล้วใจก็จะมีความน่มเงย็นเป็นสุดการกระทําที่ดีอย่างนี้ก็จะไม่มีใครทำนิติเตียนจะไม่มีใครจับเอาไปลงโทษจะมีแต่ผู้คนชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญนี่คือเรื่องของเหตุและของผลที่เราควรจะรู้กันเราควรจะรู้ว่า การคิดของเราการพูดของเราการกระทําของเราเป็นเหตุที่และให้เรามีความสุขและความเจริญหรือมีความทุกข์และมีความเสือ่อมไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นเช่นเวลาเราไม่สบายกอกไม่สบายใจก็ให้รู้ว่าเราเป็นผู้สร้างความไม่สบายใจขึ้นมาไม่ใช่ผู้อื่นทำให้เราไม่สบายใจเพราะความไม่สบายใจของเรา เกิดจากความอยากต่างๆเช่นเราอยากทำอะไรหรืออยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถทำได้หรือได้มาเพราะอาจจะมีอุปสรรคเช่นบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ตอบสนองความอยากของเราเราก็เลยเกิดความไม่สบายใจเกิดความโกรธกับบุคคลที่ไม่ตอบสนองความอยากของเร า, เรา แต่ความจริงแล้วบุคคลนั้นเขาไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือไม่พอใจเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือไม่พอใจอยู่ที่ความอยากของเราต่างหากถ้าเราไม่อยากเสียอยากแล้วก็จะไม่มีใครมาทำให้เราไม่พอใจหรือไม่สบายใจได้ดังนั้นเราต้องแก้ความไม่สบายใจของเราที่ความอยากของเราเราต้องหยุดความอยาก อยากอยากไปอยากเมื่อไม่อยากแล้วเราก็จะไม่ต้องไปพูดไปทำอะไรกับบุคคลอื่นเช่นเราอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เพื่อนเขาไม่อยากไปเราก็จะโกรธเขาไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวเราก็จะไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องไปชวนเขาเขาจะไปหรือไม่ไปก็จะไม่ทำให้เรา ไม่สบายใจหรือให้เรากรดนี่คือการรู้เหตุเกี่ยวกับความรู้สึกภายในใจของเราในใจของเรานี้มีความรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาบางเวลาก็มีความสุขใจบางเวลาก็มีความทุกข์ใจก็เป็นเพราะว่าเป็นเกิดจากความอยากของเราเวลาที่เราอยากแล้วเราได้สมใจเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา เวลาเราอยากแล้วไม่ได้ดังใจเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆจะว่าอยากก็ไม่ใช่จะว่าไม่อยากก็ไม่เชิงเราก็จะไม่มีความรู้สึกสุขรู้ทุกข์เราจะรู้สึกเฉยๆสงบเย็นสบายซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไดจ้จากการทำอะไรตามความอยาก เพราะว่าเมื่อได้แล้วก็จะติดเป็นนิสัยจะอยากทำอีกเช่นอยากจะดื่มสุราพอได้ดื่มสุราก็เกิดความุเกิดความสุขใจขึ้นมาขอครั้งต่อไปอยากจะดื่มสุราถ้าไม่สามารถดื่มได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากดื่มสุราเลยเราก็จะไม่ต้องไปสุขกับการดื่มสุรา ยึดไปทุกข์กับการไม่ถึงสว่านี่คือผลและเหตุที่เราสร้างกันอยู่ทุกวันแล้รับกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอให้เรามองมาที่ใจของเราพยายามระ ง, งับความอยากต่างๆให้ได้เพราะความอยากต่างๆนี่แหละเป็นเหตุที่จะทําให้เราไม่สบายใจ แล้วถ้าเราไม่แก้ด้วยการหยุดความอยากความไม่สบายใจของเราก็จะไม่มีวันหมดไปเพราะความอยากนี้จะไม่หมดไปถ้าเราทำตามความอยากความอยากก็จะต่ออายุยาวขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะตัดความอยากอยากจะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ความไม่สบายใจเราก็ต้องหยุดความอยากฝืนความอยากเช่นเวลาอยากจะเดิมสุรา ก็อย่าไปดื่มแล้วเราหาวิธีแก้วิธีที่จะแก้ความอยากดื่มสุราก็คือการนั่งสมาธิเข้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปสวดมนต์ไหว้พระไป mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องการดื่มสุราพอลืมเรื่องลืมลืมแล้วก็จะไม่คิดอยากจะดื่มสุราความหมดหงิดใจความไม่สบายใจ ที่เกิดจากการดื่มโซลาก็จะหายไปนี่คือวิธีที่จะดับความอยากทำลายความอยากทำลายผลที่เกิดจากความอยากคือความไม่สบายใ จ, ใจต่างๆต่อไปเราก็จะไม่มีความไม่สบายใจยในใจของเราเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขได้นี่คือการรู้เหตุและรู้ผลให้รู้ว่าเหตุทั้งหลายนี้ เหตุที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การการคิดของเราและอยู่ที่การพูดและการกระทาของเราเพราะการพูดและการคิดก็เป็นผู้รับคาสั่งมาจากใจอีกทีหนึ่งถ้าใจูถ้าใจคิดดีก็จะสั่งให้พูดดีทำดีถ้าใจคิดไม่ดีก็จะสั่งให้พูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นเวลาโกรธก็จะสั่งให้พูดไม่ดี ทำไม่ดีเวลาไม่โกรธก็จะสั่งให้พูดดีทำดีดังนั้นเราต้องคอยควบคุมใจของเราที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และความสุขทั้งหลายให้ใจผลิตแต่เหตุที่จะทำให้เกิดความสุขคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงความอยากทาบุญความอยากรักษาศีลความอยากปฏิบัติธรรม อันนี้เป็นความอยากที่ดีเป็นความคิดที่ดีอยากแบบนี้อยากได้ไม่เสียหายแต่อยากไปอยากไปเที่ยวอย่าไปอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอยากไปอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากจนนี่เป็นความอยากที่จะทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลถ้าเราสามารถปฏิบัติตามความรู้เราได้เราจะไม่มีความทุกข์ใจความไม่สบายใจเลยข้อที่สามที่ท่านสอนให้รู้ก็คือให้รู้ตนตนก็คือเราตัวเราว่าเราเป็นอะไรเราเกิดมาในโลกนี้เราเกิดมาในโลกที่มีสมมติคือมีกฎมีบัญญัติ เราเป็นผู้หญิงเราก็อยู่ภายใต้กฎบัญญัติของการเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราก็อยู่ต้ใต้กฎบัญญัติของการเป็นผู้ชายผู้ชายก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งผู้หญิงก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นนักบวชก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นขลารวาสก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้น้อยก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่ง เราจึงต้องศึกษาให้รู้ว่าเราเป็นอะไรเพื่อเราจะได้ทำตัวของเราให้เหมาะสมถ้าเราไม่สามารถทำตัวให้เราเหมาะสมตามเพศของเราตามฐานะของเราเราก็จะกลายเป็นคนแปลกประหลาดกลายเป็นคนเพี้ยนหรือกลายเป็นคนบ้าไปจะเป็นที่ปฏิเสธของสังคมจะอยู่กับผู้อื่นไม่ได้ เราก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถรู้ว่าละตัวเราเป็นอะไรแล้วเราปฏิบัติตามฐานะของเราตามเพศของเราได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมานี่คือการรู้ตรงข้อที่สี่คือการรู้บุคคลก็คือให้รู้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยคบค้าสมาคมด้วย เพราะคนที่เราครบค้าสมาคมด้วยเขาก็มีฐานะหลากหลายมีมีสถานภาพหลากหลายมีเพศต่างกันเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่ตอบุคคลต่างๆเหล่านั้นคนที่มีพระคุณกับเราสูงกับ เ, เราเราก็ต้องให้ความเคารพนับถือให้ความกตัญญูกะตะเวทีเช่นบิดามารดาครูบาอาจาร ผู้ที่มีพระคุณแก่เราเราก็ต้องคอยสำนึกในบุญคุณของบุคคลเหล่านั้นและระมัดระวังไม่กระทำการกระทำที่จะส่อไปในทางเนรคุณเราต้องน้ำนึกถึงคุณของบุคคลเหล่านั้นเสมอแม้ว่าเขาจะพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราเราก็ต้องยับยั้งอารมณ์ของเรา จะต้องไม่พูดไม่ดีหรือทำไม่ดีเป็นการตอบแทนเราต้องนำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะของพ่อแม่ที่ให้กำเนิดกับเราถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราจะไม่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้บุญคุณของพ่อแม่นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่ามีมากจนเราไม่สามารถที่จะทดแทนให้หมดไปได้ ถึงแม้เราจะเลี้ยงดูท่านให้ดีอย่างไรก็ตามแบกท่านไห้บนบ่าของเราให้ท่านอุจจาะปัสสวะลากตัวเราบุญคุณที่ท่านมีต่อเราก็ยังจะไม่หมดไปดังนั้นเราต้องระมัดระวังเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่คอยควบคุมระวังอารมณ์ของเราเพราะพ่อแม่ก็มีความเมตตา มีความห่วงใยและก็อาจจะพูดในสิ่งที่ทำให้เราลำคาญใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราลำลึกถึงพระคุณของท่านและลำลึกถึงเจตนาของท่านเราก็จะได้ไม่โกรธท่านไม่ลำคาญถือว่าเป็นการสั่งสอนเป็นการคอยเตือนสติเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีที่ควร เช่นถ้าท่านเห็นว่าเรากําลังทําอะไรไม่ดีเช่นชอบเที่ยวกลางคืนชอบเล่นการพนันชอบเล่นสุรายาเมาถ้าท่านมาคอยตักเตือนเราก็อย่าไปโกรธจะทําตามได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ท่านพูดอย่างไรนี้เราอย่าไปโกรธถือว่าเหมือนกําลังฟังเทศจากพระเพราะพ่อแม่นี้เป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆนั่นเอง วลาพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนหรือพูดอะไรก็ให้ถือว่าพ่อแม่กําลังเทศให้เราฟังพระอาณาหารกําลังเทศให้เราฟังก็ขอให้เราน้องฟังด้วยจิตใจที่สงบมีความเคารบส่วนสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะถูกหรือผิดหรือเราจะทําตามได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่ว่า เราต้องรู้ว่าท่านเป็นพระของเราเราต้องให้ความเคารพและไม่แสดงกิริยาการที่ไม่น่าดูต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นลูกกระตังอยู่จะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญนับถือของผู้อื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบด่าพ่อด่าแม่ชอบทําร้ายพ่อแม่ อย่างนี้เราก็จะเป็นลูกอากตัอยูจะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเรื่องของการรู้บุคคลเราต้องรู้บุคคลต่างๆเพราะเขามีฐานะต่างๆไม่เหมือนกันพ่อแม่เป็นบุคคลที่สูงกว่าเราเพื่อนฝูงเป็นบุคคลเท่าเราลูกหลานน้องเป็นบุคคลที่ต่ำกว่าเราการประพฤต ตอบุคคลต่างๆก็ต้องเป็นไปตามฐานะของเขานี่คือเรื่องของการรู้จักบุคคลข้อที่5ก็คือให้รู้จักสังคมสังคมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เราอยู่ในสังคมทํากันอยู่สังคมไทยเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามเช่นไปมาลาว่า พบกันก็จะยกมือว่าทักทายกันคนไทยนี้เป็นที่ชื่นชมยินดีเขาของชาวต่างประเทศว่าคนไทยมีความเมตตามีความอ่อนนอ้อมมีความเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาเจอกันมักจะยิ้มให้กับกันทักทายกันเป็นห่วงเป็นใยกันไปไหนกินข้าวหรือ ย, ยังสบายดีหรือเปล่านี่คือนิสัยของคนไทย นี่เป็นขนธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามทุกวันนี้เด็กที่จะจะที่โตขึ้นนี้จะไม่ค่อยรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเช่นการให้ความเคารพกับพระภิกษุผู้ทรงศีลก็เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยรู้จักกันเวลาเห็นพระเดินไปเดินมาก็ไม่เคยให้ความเคารพไม่เคยยกมือไหว้ บางครั้งถึงกับจะเดินชนเสียด้วยซ้ำไปเหตุที่จะทำให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุทั้งสองเป็นเป็นเหตุของทั้งสองฝ่ายฝ่ายคารวาก็ไม่สนใจที่จะศึกษาสั่งสอนลูกหลานฝ่ายพระก็อาจจะไปกระทาตนที่ไม่เหมาะสมทาให้ไม่มีทำให้เสื่อมศรัทธาไม่อยากที่จะให้ความเขาลกก็ได้นี่คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเราสังคมของเราทุกวันเสื่อมลงไปเพราะขาดการให้ความสำคัญต่อการต่อขนรรมทำเนียมประเพณีที่ดีงามนั่นเองคือไม่รู้จักสังคมกันแล้วทุกวันนี้ดังนั้นก็ขอให้พวกเราพยายามศึกษาเรื่องขนมทำเนียมประเพณีที่ดีงาม ของแต่ละสังคมที่เราไปอยู่สังคมแต่ละสังคมก็มีประเพณีที่ไม่เหมือนกันของเราก็เป็นแบบนึ่ของต่างชาติเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ในสังคมใดเราก็ควรที่จะศึกษาสังคมนั้นเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวเราไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สังคมและกับตัวเราเองนี่คือเรื่องของการรู้จักสังคม ข้อที่6ก็คือให้รู้จักการละเทศการลเทศก็คือให้รู้เวลาว่าขณะนี้ควรจะทำอะไรทาตัวอย่างไรเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆเขาจะมีการละเทศเช่นการแต่งกายเราไปสถานที่หนึ่งเราก็ต้องแต่งกายแบบน่งเราไปอีกสถานที่หนึ่งเราก็ต้องแต่งกายอีกแบบน่ง เวลาเราไปงานแต่งงานเราก็แต่งกายแบบหนึ่งเวลาเราไปงานสดเราก็แต่งกายแบบหนึ่งเวลาอยู่ในงานสดเราก็ต้องมีอาการแบบหนึ่งไม่ใช่หัวเลาะกันพูดคุยเปิดเพลงฟังกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําในขณะที่เราไปงานสดถ้าเราไปงานแต่งงานเราก็ต้องทาให้หน้าตาแจ่มใสเบิกบาน ไม่ใช่ไปทำหน้าตาเศร้าส้อยเหมือนกับไปงานศพเวลาใครเขากำลังทำอะไรอยู่เราก็ควรที่จะทาตามเขาเช่นถ้าเขากำลังนั่งทำพิธีอะไรต่างๆเราก็ควรที่จะร่วมทำพิธีต่างๆเหล่านั้นกับเขากำลังขอสีลก็ควรที่จะนั่งขอสีนไปด้วยกันเวลานั่งรับพรก็ควรจะรับพรไปพร้อมๆกัน เวลาฟังเทศฟังธรรมก็ควรที่จะฟังไปพร้พอมๆกันอย่าต่างคนตา่างทรรคนหนึ่งฟังเทศอีกคนหนึ่งก็เตรียมจัดอาหารขาวานอีกคนหนึ่งก็เอาอาหารขาวานมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าไม่มีกาลเทศะไม่รู้จักกาละเทศะก็จะทําให้ไม่สวยงานสแสดงความโง่เขลาเบาปัญญาของตนให้แก่ผู้อื่น ก็จะไม่มีใครเขาจะชื่นชมยินดีถ้าเขาจะคบค้าสมาคมด้วยเขาก็จะต้องคิดหลายตลบนี่คือเรื่องของการรู้จากการละเทสัตส่วนข้อที่7ก็ให้รู้ประมาณคําว่ารู้ประมาณก็ให้รู้จากความพอดีความพอดีในการบริโภคปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่งยารักษาโรคและอาหารเราต้องรู้จักประมาณมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีถึงจะเรียกว่าดีอาหารก็รับประทานพอสมควรให้อยู่ได้อย่ารับประทานจนทำให้ร่างกายมีน้ำหนักมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดโรคไัไข้เจ็บได้ เสื้อผ้าก็มีให้ไว้พอประมาณพอสวมใส่พอเปลี่ยนพอซักไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมายพอยิ่งมีมากก็จะเป็นภาระมากเป็นภาระหลายด้านเวลาอยากจะได้ก็ต้องเสียเงินเสียทองไม่มีเงินทองก็ต้องไปดิ้นนอหาเงินหาทองมามาซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่มีก็ไม่ไม่เดือดร้อน ถ้าเรามีพอเพียงแล้วนี่คือการใช้บริโภคเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยก็พอให้อยู่หลบแดดหลบฝลได้ก็พอจะซื้อนือจะเช่าก็ไม่สำคัญต้องดูฐานะของเราว่าเรามีฐานะที่จะซื้อหรือไม่ถ้าเราไม่มีฐานะจะซื้อเราก็เช่าไปแล้วเราก็ต้องดูราคาว่าเหมาะสมกับฐานะของเราหรือเปล่า อย่าไปใช้เงินเกินฐานะานะเกินกำลังเพราะจะทําให้เราเดือดร้อนต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินและอาจจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปกู้หนี้ยืมสินมาการกู้หนี้ยืมสินนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งจึงควรจะรู้จักประมาณในการบริโภคสิ่งของต่างๆวิธีที่จะ ป้องกันการบริโภคมากเกินไปก็คือส่งสอนให้ถือหลักมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือต้องการน้อยน้อยต้องการเท่าที่จำเป็นส่วนสันโดษก็คือให้ยินดีตามฐานะของตนตามมีตามเกิดได้มามากไดมาน้อยก็พอใจวันนี้ได้น้อยก็พอใจพรุ่งนี้ได้มากก็พอใจ ถ้าเรามีความมากน้อยสันโดษเราก็จะสามารถอยู่อย่างพอประมาณได้แล้วชีวิตของเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความโลภโมโทสันต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรใจของเราก็จะไม่อิม่มไม่พออยู่นั่นยังอยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องไปมีปัญหา มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรารู้จักประมาณแล้วอยู่แบบมากน้อยสันโดษได้เราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นนี่คือความรู้เจ็ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นบรรณชิตหรือเป็นคารวะนํานเอาไปปฏิบัติ เพราะจะทำให้ชีวิตของเขานั้นมีแต่ความร่มเย็ น, ปนเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาความรู้ที่จะยกตนให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป